บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเพื่อให้มันฝังลงไปครับความจริงถ้าเราเข้าใจคำนี้มันจะหลุดออกจากการเวลามันจะเกิดสภาพดับแล้วก็ว่างในขณะนั้นสมมติว่าเรากำลังรถติดไฟแดงแล้วเรากำลังหุดหงิดเพราะว่าอีกตั้ง6กสิบวินาทีที่มันกำลังนับถอยหลัง ถึงจะเป็นศูนย์เป็นไปเขียวแล้วเราเกิดพุดคํานี้ขึ้นมาเนี่ยวินาทีสุดท้ายมาถึงแน่ไม่ขึ้นกับอยากหรือไม่อยากของใครมันจะปล่อยพล่วะเลยแล้วมันจะเกิดการดับตรงนั้นเลยมันจะว่างลงไปตรงนั้นเลยคํำง่ายๆพอสติมาปัญญามก็เกิดเลยใช่แล้วเราจะไปทุกข์ทำไมเนี่ยตัณหากําลังบีบคั้นอยู่เฉยๆเลยอยู่ๆล้วก็นั่งลงนรกอยู่ในรถ่ พอเราเห็นครั้งนึงเราจะเริ่มย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ต้นบอกโอ้โ oh, หตายแล้วนี่ฉันฉันตกนรกมาตลอดเลยทุกไฟแดงเลยเหรอเนี่ยนับดูก็และกันว่าตกไปกี่ไฟแดงแล้วทีนี้ตกกี่ขุมพอมันเห็นความจริงขึ้นมาขนนึงมันจะรู้เลยว่าโอ้โ oh, หน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยเรานี่นอกจากประมาทแล้วคือจะบอกว่าประมาทก็เพราะไม่รู้นี่แหละถึงประมาท ถ, ถ้าวันนี้รู้แล้วยังทํำนะเรียกประมาทละ่ะ ยิ่งประมาทหนักเลยถ้าไม่รู้มันก็เลยประมาททีนี้รู้แล้วยังประมาทนี่ก็ตัวใครตัวมันล่ะตัวใครตัวมันอีกอย่างก็เรื่องค่ําครวญหรือว่าดับช้าหรือเกินนะทะเลาะกันวางหูเสียงดับหูดับใจไม่ดับก็ยังกลุนกลุนกลุนกุนก คำคำหนึ่งจึงเป็นที่ยอดฮิตมากเลยผมก็ไม่รู้ที่ผมพูดไปพูดไปมันเกิดกลายเป็นคําที่เวลาบรรยายเสร็จแล้วมาเจอโยคียเขาบอกว่าโอ้โหโดนจริงๆคํานี้คือเรียซากจึงเกิดเป็นเสื้อตัวหนึ่งขึ้นมาหยุดเรียซาก ออกแบบเสร็จแล้วตอนนี้ทีมงานก็คงอีกสองอาทิตย์นะ่าจะออกใครสนใจก็ไปจองที่น้องเบียร์นะครับเจ้าของโครงการหยุดเลียซากด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นรู้ลมละไวยไม่ไหลไม่เลียซากพอไม่เลียซากไฮยีน่าจะน่ารักขึ้นตัวนี้จะน่ารักขึ้นตัวนี้จะดูโหดลายน้ำลายไหลหน่อยนะ ตัวนี้ยังเดียซากอยู่น้ำลงน้ำลายเปิดไปหมดแต่พอหยุดเรียพอไม่เลียซากปุจะเริ่มน่ารัก <c oughs> จะดูน่ารักนิดครับ <c oughs> ก็ลองดูกันไปนะครับตัวนี้ก็คงโดนค่าพิมพ์สีสี <c oughs> หยุดเรียซากคนส่วนใหญ่บอกว่าแม้แต่คนไม่ปฏิบัติทมพอเข้าใจคำนี้แล้วื อ, อ ม, มันช่วยสะกิจใจได้ดี แล้วมันก็เป็นความจริงตามนั้นจริงๆด้วยความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการเลรียซ า, ากทั้งหมดเลยมันไม่มีตัวตนจริงๆอะไรสักอย่างมันถ้าจะบอกว่าความอร่อยมีมันก็ดับไปตั้งนานแล้วถ้าจะบอกว่าเราไปเที่ยวไหนมาแล้วสนุกมันก็จบไปทั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจคำนี้มันจะเข้าไปไม่ถึง สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสกับพร ะ, พะนอนนว่าอินทร์าวนาชั้นเลิศเพราะว่าอินทร์าวนาชั้นเลิศเนี่ยอจอามาอยู่ที่เรียรซาดเนี่ย ลักษณะแห่งอินทร์ภาวนาชั้นเลิศอานน์อินทร์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยเป็นอย่างไรเล่าอานน์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแ ก, ก่พิกสุก็เห็นรูปด้วยตาพิกสุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประณีชกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานน์นี้แหละ เราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุเพราะฉะนั้นวิธีวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติของทุกคนก็ให้วัดจากอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศครับอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจดับลงไปไวดุดกพริบตาอุเบกายังคงเหลืออยู่สภาพนี้จะเริ่มว่าง ใครที่กําลังข้ามควรวนข้ามควรวนพอมันสะกิดตัวนี้ปั๊บพอมันหยุดพวกมันจะสงบเลยมันจะเป็นนิโรธชั่วขณะเลยนะเพราะว่าไม่มีตันหาเข้ามาสภาพใดที่พระเจ้าตรัสว่าสภาพใดที่ไม่มีตันหาเข้ามาปรุงแต่งในจิตสภาพนั้นจะสงบเย็นนะครับเป็นสันธิฏิกะนิพานก็คือนิพานชิมลองเป็นนิพานชั่วคราวคือสภาพที่ไม่มีตันหาบีบคั้น เป็นสภาพที่ตัว emperor, ตนมันขาดไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็มันก็จะยึดขันขึ้นมาใหม่เพราะว่ายังไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงเพราะนถ้าเราไม่รู้จักที่จ ะ, ะ어어 in, diet, so ละอกุศลแล้วก็ไม่รู้จักที่จะใช้พัฒนาสติขึ <S <S <ot> ้นมาเนี่ยสภาพอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะเราจะคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับวิญญาณจะทั้งอาศัยทั้งอาศัยการปรุงแต่งทุกอย่างภพชาติมันจะมาตลอดเวลา แต่พอมันหยุดตั้งแต่รู้ลมปั๊บมันหยุดรู้ลมบ่อยๆมันก็จะเข้าสู่อุเบกขาจิตจะยืนอยู่ที่อุเบกขาจะเดินอยู่ที่อุเบกขาแล้วก็จะคุ้นเคยกับอุเบกขาเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นการปรุงแต่งแบบหยาบๆแล้วก็ลากมาอยู่กับอุเบกขาแล้วก็จะสามารถปิดอบายได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการละอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรกระทํานะครับเนื่องจากว่าท่านอย่าลืมว่าเวลา ถึงจิตดวงสุดท้ายจริงๆถ้าเราไม่เคยฝึกให้จิตเนี่ยวางอารมณ์ลงขณะที่กำลังคิดต่อเนื่องไม่ว่าจะคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความกังวลขึ้นในใจทันทีถ้ามันไม่มีอะไรเตือนบ้างเลยเพราะว่ามันไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นเรื่องที่อันตรายเราสามารถฝึกได้ง่ายๆพยายามมีสติบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่ อ, อ, อยๆเนืองเง อย่างเนี้ยผมก็พยายามพูดเรื่องไฟแดงเรื่องไฟแดงเพื่อให้ทุกไฟแดงมันกลายเป็นครูสอนกรรมาฐานท่านกลับออกไปเนี่ยรถติดปับ๊บกำลังจะงดหงิด ม, มันไม่ได้อะไรเลยมนะันมันโง่โงโฟรีทุกฟรีรถมันติดแล้วมันทำไมเหรอก็เดี๋ยวก็ไปไม่ทันแล้วทำอะไรได้ละ่ะนอกจากนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะกระโดดลงไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ถ้าทำได้ก็ทำสิจะได้ไปเร็วขึ้นแต่ถ้าทาไม่ได้จะไปทุกทาไมละ่ะ ในไหนมักก็ต้องอยู่อยู่แล้วทำไมไม่หาความสุขจากในรถเอาแผ่นเอ็มพีสามลงพ่อใส่ก็ไปเลยก็ได้สิ้นเรื่องกันไปนะครับฟังธรรมะดีกว่ากลายเป็นเออดีเว้ยรถติดนานๆ น, น, นี่ได้ฟังธรรมตั้งหลายตอนเอาล่ะมันเริ่มเปลี่ยนกับอาแทนเป็นคุศลแทนเพื่อนก็ต้องหาทางช่วยตัวเองนะครับเรามาอยู่ด้วยกันห้าวันก็ถ้าจะบอกว่าเต็มที่ก็เต็มที่แล้วจริงๆนะครับอาจจะบอกว่า ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็เต็มที่สำหรับเวลาที่มีสำหรับคอสขนาดนี้ก็ถือว่าล้นไปไกลมากมีมากกว่ า, วานี้เกอมีมีมากกว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดพอเกิดสมาธิทิฏฐิแล้วมันจะคุยง่ายนะคอสหลังๆมันจะคุยง่ายไม่ต้องมาบูดปูดพื้นฐานเรื่องโทษภัยในวัฏสงสารไม่พูดแล้ว พูดไปข้างหน้าพูดไปที่ปัจจุบันพูดไปที่ข้างหน้าพูดไปถึงที่แนวทางการปฏิบัติจริงๆอย่างโนดดมอย่างอะไรเงี้ยนะที่เปิดไปก็เหมือนกับอ่ขอใช้ของเขาหน่อยคนชอบบอกว่ามันไม่มีสาระก็ น, นี่แหละของสาระก็ อ, อยู่นีนไม่มีสาระนี่แะพอดูเข้าไปก็เห็นธรรมะเต็มไปหมดอ่ะท่นักภาวนาก็เห็นเลยว่าโอ้โหเอ๊ะทําไม รู้ลมแล้วยังไม่หายคําเนี่ยธรรมะทั้งนั้นอ่ะมันจะเอะใจเลยนะไอ้ตอนไม่มีอารมณ์กระทบเนี่ยสบายรู้ลมนี่สบายมากพอมีอารมณ์กระทบจริงๆผมเห็นหลายคนพยายามกั้นไม่หัวละสุดท้ายก็ไประแอบระเบิดจนได้ล่ะเอ๊ะฉันก็รู้ลมนะเออนี่ไงเอะไว้เถอะมันไม่ใช่อาการของจิตแล้ว มันเป็นเรื่องของตัวจิตเรื่องของอวิชชาเรื่องของการสั่งสมเรื่องของสัญญาเยอะแยะมากมายมันถึงจุดจุดหนึ่งน่ะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้หายขำไปหรอกแต่ว่ามันวางเลยมันวางลงไปหมดเลยเพราะว่าถ้าจดมัวเช็ดกระจกไอ้กายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องบันเช็ดถูนี่มันเช็ดไม่ไหวไง มันเช็ดไม่ไว้สุดท้ายมันก็มันต้องไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาแล้วมันจะเอาอยู่นะเพราะว่าสภาพทุกข์มันขันเราไปบังคับมันได้ที่ไหนเราสอนมันก็สอนมันได้แค่ถึงจุดหนึ่งที่เหลือก็ต้องวางแล้วมันเปลี่ยนไปตามใจเราให้โอ้ยมันจะสมบูรณ์แบบร้อเซ็นตไม่มีละมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวที่ท่านชำระมาเสี่สองข่ยแสนมหากับอย่างเราสิบปียี่สิบปีในการปฏิบัติเนี่ยเราจะชำระอะไรจะไปลื้อฟื้นของเก่าอะไรของเก่ามีมา ผู my my ้ที่เม really ียปัญญาเขาอกหมื่นปีไม่เปลี่ยนเห็นเราวันนี้ถอยหลังไปหมื่นปีก็นิสัยอย่างเงี้ยหมื่นปีข้างหน้าก็นิสัยเนี้ยขี้เกียจก็ขี้เกียจเงี้ยขยันก็ขยันอย่างนี้แหละเป็นคนเอาจริงเอาจังก็เอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยเป็นคนหล่อแหละก็หล่อแหละไปอย่างเงี้ยอีกหมื่นปีข้างหน้าก็หล่อแหละอยู่อย่างเงี้ยหมื่นปีที่แล้วก็หล่อแหละอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมักเข้าไปชำระเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาจุดหนึ่งคือมันเกิดอขยันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันว่างจากตัวตนมัน แรงเสียดทานมันก็ดูเอ๊ะทุกอย่างก็เลยทําเพื่อคนอื่นดูเหมือนทําไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทําเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยทําเท่าไหร่มันก็ไม่มีแรงเสียดทานไม่เหนื่อยใจนะแต่กายก็ว่ากันตามสภาพขันนั่นแหละมันก็มีเหนื่อยของมันแหละหอแพกแทกมันก็มีไม่ไหวมันก็พักไม่ไหวก็พักคืนหนึ่งก็ดีขึ้นแต่จะดีขึ้นเท่าเดิมไหมก็ไม่มีใครรู้นะครับก็รับสภาพกันไปแต่ใจเป็นปกติเท่านั้นเอง ฝึกให้ใจเป็นปกติไอ้ข้างนอกจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ดูแลเท่าที่ดูแลกันได้แล้วก็จะเข้าใจความจริงไปเองตอนนั้ น, นครับก็คงไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วละ่ะเพราะว่าพูดมาเยอะที่เหลือก็เดี๋ยวเราทําำในเรื่องของพิธีกรรมให้จบนะครับก็คืออสมาทานศีลห้าแล้วก็ขอขอมาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นก็คงเป็นขั้นตอนของทางยุพุทธแล้วก็แสดงความรู้สึกอะไรก็ว่ากันตามกระบวนการเดี๋ยวเรามาว่าตามแล้วกันขอขอมาพระตราไทยด้วยกันเอ๊ะในหนังสือที่มีไหมอ๋อมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วเอากี้ละกันผมให้ทางยุพุทธนําเลยดีกว่าืขอขอขมาแล้วก็สมาทานศีลห้าทำพิธีกรรมอะไร ตามตามแบบนี้ไปเลย